สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเ a ย์เรโอนะฮะทาง FM 89.5 MHz นะครับวันนี้ ก็ยังคงอยู่กับผมเหมือนเดิมนะฮะพรชัยจันทราสุประแสงนะฮะปกกมิงกลับมารับหน้าที่ดําเนินรายการประจำวันอังคารที่18มิถุนายน2562นะครับก็นับเวลาถอยหลังกันอีกไม่กี่วันนะฮะประมาณ2สัปดาห์นี้เองเนี่ยก็จะถึงคอมม่านะฮะคอมมาจอย219เพราะว่าคอมม่าจอย219จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม2562นะครับแต่ระหว่างนี้เราก็จะมีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่27เที่ยง นี้ก็จะมีเสวนาบิสเนสทราน sf อร์เมชันกับเรื่องราวของการปรับธุรกิจไปในยุคดิจิตอลว่าต้องปรับเปรี่ยังไงนะฮะครั้งนี้เราก็ได้เชิญคุณนัทศักดิ์นะฮะจาก KPMG มาพูดถึงเรื่องของ s t r a t e g ้นะในการที่จะปรับตัวเรามีเคสดีๆจากการไฟฟ้าจากทาง UOB นะฮะหรืออีกหลายๆอย่างที่อยากจะแนะนำกันก็อันนี้เป็นเป็นเสวนาที่เราเปิดให้สาหรับ ผู้บริหารในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะฮะแล้วก็ตลาดเซ็ตแต่ถ้าเกิดสนใจจริงก็อินบอกมาพี่มิงได้เดี๋ยวพี่มิงจะจัดจอง <c oughs> พื้นที่ให้แต่ต้องอินบอกมาที่ Facebook ของพี่มิงเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวดูให้นะว่าคุณสามารถเข้ามาได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกับเรื่องราวของรูปแบบสื่อคือคาตอบนะครับหลายคนเนี่ยเวลาเราพูดถึงอินเทอร์เน็ตนะบอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน อย่างเกินกว่าที่จะบรรยายนะฮะในขั้นพื้นฐานเนี่ยมันทำให้ผู้คนสามารถสื่อสารกันถึงกันได้หลากหลายวิธีแต่ไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งดังเหมือนเหมือนสมัยก่อนเช่นการส่งจดหมายถึงการการโทรศัพท์หากันหากการสื่อสารจากคนหนึ่งถึงหลายคนได้เพราะว่าแค่การโพสต์ลง Facebook Instagram กรุ๊ปหลายพวกเนี้ยก็สามารถสื่อถึงคนหลายๆคนพร้อมกันได้โลกที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้นะครับมีบางแง่มุมให้ขบคิดเขาบอกว่า ในปี1967เนี่ยนักวิชาการด้านสื่อสารชาวแคนาดาชื่อมาร์คเชล์แม็กลูฮานนะฮะได้กล่าวไว้สั้นๆเมื่อเกิดการปฏิวัติสื่อครั้งสำคัญยุคนั้นคือการเปลี่ยนจากสิ่งพิมพ์สู่โลกโทรทัศน์นะฮะเขาบอกว่าสื่อนั่นแหละคือข้อความนะหรือ the medium is the message ที่น่าแปลกใจก็คือข้อความดนะังกล่าวยังคงเป็นจริงอยู่ในทุกวันนี้นะครับข้อความไม่ได้หมายถึง หมายความว่าสื่อนะบอดติดตามข่าวแบบจีนสมัยก่อนการแจกใบปลิววิทยุหนังสือพิมพ์โทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่าอินเทอร์เน็ตด้วยเนี่ยมีความสําคัญมากกว่าข้อความนะหากหมายความว่าข้อความนี้ได้มีความสําคัญเพราะสื่อสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเราตลอดจนวิธีคิดและการดําเนินการชีวิตด้วยนั่นเองนะครับพูดอีกอย่างก็คือสื่อมีความสําคัญไม่ใช่เพราะเนื้อหาแต่เพราะว่า มันเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนนะฮะตัวอย่างเช่นโทรทัศน์มีเนื้อหาเข้มข้นรายงานสดอย่างรวดเร็วแต่โทรทัศน์มีได้มีความสําคัญเพราะว่าคุณภาพหรือปริมาณของเนื้อหาหากแต่ว่าโทรทัศน์เปลี่ยนวิถีชีวิตให้แตกต่า ง, างไปจากการเคยนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อมีโทรทัศน์ก็เสพข่าวสารโดยเป็นนักวิ่งจากเก้าอี้ถึงตู้เย็นระหว่างโฆษณาเขาเรียกว่า ซึ่งแตกจากการอ่านหนังสือพิมพ์ที่ไม่ได้ทําให้เป็นนักวิ่งแข่งกับเวลาก็คือก็ต้องอ่านไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแม็ลูฮานนะฮะได้ข้อสังเกตที่น่าสนใจมากเมื่อข้อความเปลี่ยนเราอาจเปลี่ยนใจได้เช่นการโฆษณาหรือข่าวอาจทําทให้เราเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่อ บ, บางสิ่งแต่ถ้าสื่อเปลี่ยนรูปแบบแล้วเรียกได้ว่ามันเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งหมดไปเลยทีเดียวดังเช่นตัวอย่างของหนังสือพิมพ์สุทรัตย์นั่นเองนะฮะเมื่อหันมามองปัจจุบันนะครับคำกล่าวของแม็ลูฮานก็กล้องหูการแช หูของเราอยู่เพราะว่าการใช้สมาร์ทโฟนผ่านเทคโนโลยีทําให้เราไม่นั่งดูโทรทัศน์รวมกันเป็นครอบครัวดังที่เคยเป็นมาอย่างน้อยก็ 1-2 ชั่วคนแต่กลายเป็นต่างคนต่างดูผ่านจอสมาร์ทโฟนของแต่ละคนดูรายการและรับข่าวสารตามรสนิยมของตนเองนะครับเมื่อครอบครัวหรือคู่หนุ่มสาวไปรับประทานอาหารกันนอกบ้านต่างแทนที่จะคุยกันเหมือนเดิมต่างคนต่างก็อยู่คนหน้าจอต่างคนต่างดูต่างคนต่างกดต่างคนต่างแชท ต่างคนต่างส่งข้อความไปให้คนที่ไกลออกไปโดยพูดจากับคนที่นั่งโต๊ะเดียวกันน้อยลงจนเหมือนคนแปลกหน้าาร่วมนั่งโต๊ะกันเลยนี่แหละ เป็นรูปแบบสื่อคือคาตอบนั่นเองในปัจจุบันนะครับเราพูดได้ว่าไม่ใช่สิ่งที่เราอ่านในสมาร์ทโฟนที่เปลี่ยนพฤติกรรมเราหากการอ่านสมาร์ทโฟนในทุก15นาทีตั้งหกักคือตัวการเปลี่ยนพฤติกรรมของเราตัวอย่างเช่นนะครับการอ่านพบว่าการบริโภคใบมะกรูดมีผลดีต่อสุขภาพก็อาจเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้บ้างแต่นิสัยการอ่านสมาร์ทโฟนคือตัวเปลี่ยนที่สาคัญยิ่งนะฮะ กลับไปที่เรื่องของการสื่อสารออนไลน์สมัยใหม่ที่เป็นหนึ่งไปถึงหลายคนลักษณะหนึ่งที่สําคัญก็คือการนําเสนอตนเองกล่าวคือต้องการให้คนอื่นเห็นด้านดีของเราคนจํานวนมากนะครับโพสต์รูปตัวเองที่งดงามซึ่งก็ต้องผ่านแอปนูนแอปนะซึ่งมันก็จะต่างจากความจริงนะฮะมากมากเลยทีเดียว น, นี้เขเลาหน้าจริงกับหน้าหน้าหน้าในแอปนี่ต่างกันมากอาหารที่เห็นหรือน้ำลายสอการท่องเที่ยวในต่างประเทศที่สมบูรณ์แบบงานะเลียงเลิศหรูลดยนโรราคาแพง สิ่งที่เขาเหล่านี้ต้องการก็คือทําให้คนอื่นเห็นว่าเขาเนี่ยมีหลักฐานจากยอดไหลยอดแชนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเองก็เห็นชีวิตที่แสนสมบูรณ์เองเพื่อนๆก็เลยแข่งกันเหมือนกับว่าเราทําไงถึงจะเหมือนกับเหมือนกับจะมีความสุขจากการที่เราทันเขาหรือเอาชนะเขาได้นะฮะมันก็เรียกว่ามันคล้ายๆ ค, ความอิจฉาลิษติยะ ก, ก็ไม่เฉย น, นะฮะก็อันนี้นก็เป็นเป็นเรื่องราวที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนไปซึ่งก็น่าคิดนะว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนกันไปเยอะกว่าสมัยก่อนเลยเนาะ มาที่ข่าวของตัว Amazon นะครับเพิ่งเปิดตัว AI ที่ช่วยผู้ซื้อคนหาแฟชั่นที่ตัวเองชอบนะครับก็ต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ยในการทํามาค้าขายออนไลน์เนี่ยเขาก็เริ่มเอาเทคโนโลยีต่างเข้ามาช่วยนะครับล่าสุดเองนะฮะอเมซอนเปิดตัว AI ที่ช่วยผู้ซื้อคนหาแฟชั่นที่ตัวเองชอบด้วยภาพนะครับโดยอเมซอนเนี่ยเปิดร้านค้าปลีก หรือร้านค้าออนไลน์ระดับโลกที่คล้ายๆกับลาซาด้าบ้านเรานี่ยแต่ก็เรียกว่าเข้าถึงผู้คนทั่วโลกได้มากกว่าเพราะจริงๆแล้วเป็นเป็นเรียกว่าอะไรดีอีคอมเมิร์ซรายแรก ข, ข, ของโลกของโลกรายแรกๆของโลกเลยที่มาลุยตลตาดตรงนี้นะฮะซึ่งก็เริ่มต้นจากการขายหนังสือจนปัจจุบันก็ขายตั้งแต่ะสะกเบอร์อยันเือลบต้องบอกอย่างนี้ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับอเมซอนก็เปิดตัว AI ที่จะช่วยให้ผู้ซื้อที่ต้องการค้นหาเสื้อผ้าแฟชั่นสามารถเจอได้รวดเร็ว โดยการเปรียบเทียบภาพและให้ AI ค้นหานะฮะวิธีการก็คือหากผู้ซื้อมีภาพเสื้อเสื้อนะฮะแล้วก็หาแฟชั่นที่ตัวเองต้องการก็นำภาพเนี่ยอัพโหลดเข้าไปในระบบของ a เม z o n จากนั้นนะครับตัว AI เนี่ยก็จะทำการเปรียบเทียบภาพที่อัพขึ้นไปกับเสื้อผ้าที่ขายอยู่บน a เม z o นหรือว่าช h อ p ของ a เม z o n ว่ามีตัวไหนบ้างแล้วนำผลลัพธ์เนี่ยแจ้งกลับมาให้กับเจ้าของภาพทาให้การค้นหาทาได้ไวขึ้น ก่อนึกถึงสภาพบางทีเราไปเห็นแบบเสื้อที่ไหนสักแห่งหนึ่งของเพื่อนใส่ของดาราใส่ล้วถูก อ, อกถูกใจ <c oughs> ขออภัยนะถูก อ, อกถูกใจแล้วอยากจะซื้อมารู้ทายังไงก็ง่ายๆเลยนะครับใช้เซิร์ชตัวนี้ของ a i ไอตัวของ Amazon ตัวเนี้ยที่ใช้ AI นะฮะก็เขาบอกว่าทางนี้นะครับก็แอบเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งเพราะว่าไม่ต้องมานั่งกด next ไปเรื่อยๆแล ะ, ะคิด เหมือนแบบและคิดคนทั่วไปก็มีรูปแบบการแต่งตัวที่เหมือนเหมือนเดิมอยู่แล้วคงไม่ได้เปลี่ยนปล่อยอะไรแต่การจะเลือกซื้ฟชั่นเดิมๆก็อาจจะเลือกยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นไอเดียใหม่ๆเทคโนโมยีที่เขาเอาเข้ามานะครับต้องย้อนกลับอันนี้หนึ่งว่าตัว Amazon เองเนี่ยก็คือคนที่ตั้งก็คือเจฟส์เบซอร์สเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการขายหนังสือออนไลน์ก่อนจากนั้นเขาก็ขยายมาขายนู่นนี่นั่นจนปัจจุบันนี่ก็ถือว่าใหญ่ ก็เลยว่ายอดขายนี่ใหญ่พอๆกับวอร์มาร์ดวอร์มาร์ดที่ก็เหมือนเป็นห้างใหญ่ๆที่อเมริกาเนี่ยเองนะ ซ, งซึ่งก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการเกิดของไอ้เบนซอนเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้แจ็คมาเนี่ยไปทําตัวอาลีบาบาจนปัจจุบันนี้อาลีบาบาด้วยความที่จีนมีคนเยอะก็เลยทําให้อาลีบาบาเนี่ยตลาดเติบโตขึ้นเรื่ อ, อยๆนะฮะจนในอนาคตหลายคนก็บอกว่าอาจจะแซง แสงอเมซ o n ของอเมริกาก็ได้แต่แต่ทางนี้ทางนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเราแหละว่าเราจะชอบช้อปปิ้งที่ตรงไหนมาที่ข่าวของ LG ลนะครับเาบอกว่า LG จเนี่ยจับมือกับพระจอมเกล้ า, ลารัฐกะบงังศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยนะครับต้องบอกว่าไฮไลท์ของเรื่องนี้ก็คือ LG เนี่ยจับมือกับสับนัก ง, งานวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้านะฮะเจ้าคุณหารั์กะ บ, บังร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนในการศึกษาวิจัยแนวทางป้องกันปัญหาฝุ่นละอองด้วยการตรวจสอบการทำงานของเทคโนโลยีในเครื่องฟอกอากาศของ LG PureCare นะฮะ PureCare และก็เครื่องปรับอากาศภายในบ้านของ LG ที่มีคุณสมบัติในการฟอกอากาศและดูดฝุ่นที่มีอนุภาคขนาดเล็กนะฮะถึง 1.0 ไมโครโดยเทคโนโลยีที่นำมาศึกษาวิจัยในครั้งนี้เนี่ยจุดต้องนะจะถูกนําไปต่อยอดเพื่อพัฒนาแนวทางในการลดปัญหาวิกิตฝุ่นของประเทศไทยในยอนาคต ด, ด้วยนะครับก็ถือเป็นข่าวดีและกันถือเป็นข่าวดีที่มีการศึกษาตรงนี้เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าปัญหาฝุ่นควันเนี่ยก็ มีมาสักระยะหนึ่งช่วงนี้คนก็ลืมลืงเป็นแต่แต่งจริงแล้วมันก็ยังมีสังเกตได้ว่าตัวตัวพี่บิงเองเนี่ยเวลาตื่นมาเช้าๆเนี่ยก็ยังรู้สึกคัจบุกอะไรเงี้ยอาจจะเพราะว่าเราเจอฝนเจอควัดมาเยอะนะฮะก็เขาบอกว่าอ่หุ้มในการฝ่ายการตลาดของบริษัท LG นะฮะคุณนิพนธ์เนี่ยเขาเกล่าวว่า LG รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสํานักงานวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาชกบังซึ่งมีความเชี่ยวชาญและให้ความสําคัญในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะมุ่งเน้นด้านการแก้ไขมลภาวะทางอากาศรวมถึงฝุ่นละอองก็ยังส่งเสริมการยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยที่เข้าร่วม การศึกษาวิจัยนี้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะฮะทางสถาบันเนี่ยยังมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคทุกกลุ่มนะฮะตามสโลแกน Innovation for a Better Life หรือนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของ LG นะฮะก็รอดูแล้วกันว่าสุดท้ายออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับ นะมาข่าวสั้นๆนะฮะ Asus ROG Phone 2นะฮะเขาบอกว่าจะมีจอแสดงผลขนาด 120Hz นะฮะก็ Asus ROG Phone 2จะมีจอแสดงผลอย่างที่บอกขนาดเธอร์ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้การแสดงผลมันสมูทขึ้นและคาดว่าจะขายในช่วงประมาณเดือน ก, นการกฎาคมที่จะถึงนี้แต่ยังไม่มีข้อมูลเรื่องราคานะครับและอาจจะมาพร้อมกับ Snapdragon ปดแหลมสูงถึง 12GB พร้อมระบบความ ร้อนรุ่นนะรุ่นใหม่ก็คือเหมือนกับตัวกันความร้อนรุ่นใหม่นะครับซึ่งข่าวหรือก็ออกมาว่าไอ้ตัว LG Phone 2เนี่ยจะใช้ Snapdragon กกอนนย่างที่บอกนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันคอมมาดรอบนี้ Asus เ, เขาอาจจะเอามาชักโชว์หรือมา pre ออเด d e r ในงานด้วยนะบบุตร Asus เขาก็อยู่ตรงทางเข้าของ <c oughs> ของหอ98เนอะ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 ท้องทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เราท่ามกลางหาดทรายขาวแสงดวงดาวพร่างพร้าประกายสวยงาม อย่างบนโซวันเปิดทางให้คนอ้งว้างอย่างฉันบอกความในใจใเธอได้ฟังโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าทั้งหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันพยายานคือฟ้าที่เฝ้าดูแล้วเธอคิดอย่างไรเมื่อรู้บอกทีอยากฟัง ฉันก็อ้าหยาหยาอ้หยาหยเหมือนเธอแค่เพียงท่านี้เป็นอันเข้าใจฉันไม่เคยพูดความในใจที่มีกับเธอเลยสักครั้งเพราะทั้งเค้นทั้งกลัวที่จะพูดไปถ้าปล่อยแค่นี้ผ่านไปเก็บความรักไว้อย่างนั้นก็คงไม่รู้ว่าใจตรงกันโอกาสอย่างนี้ ต้องพูดไปว่าจึงหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันพยานคือฟ้าที่เฝ้าูแล้วเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รู้บอกทีอยากฟังจากปากเธอหากเธอก็รักเธอก็รู้สุดติดดีเหมือนกันแต่เธอก็เคย ต้องพูดมาแค่ร้องว่าไอ้ายยาอ้ายยาก็พอโอ้และฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมีแค่เธอและฉันก็อย ร้องว่าไอายาอาไอายาอายาก็พอโ อ, โ อ, โอ้และฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหวัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนเป็นจะมีแค่เธอและฉันก็ไอายาอาไอายาอายาเหมือนเธอแค่เพียงที่ Let's go. s u n p a t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 มือถือรุ่นต่อไปของ s a m s u n งเนี่ยอาจจะใช้สถาปัตยกรรมชิปกราฟิกแบบเดียวกับ AMD นะฮะซึ่งเขาบอกว่าวันนี้ AMD ประกาศจะเป็นหุ้นส่วนกับ s a m s u n งโดย AMD เนี่ยจะออกใบอนุญาตสถาปัตยกรรม ADN A ที่เพิ่งประกาศใหม่ให้กับ s a m s u n งซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะทำให้ชิปกราฟิก Radeon นะฮะขยายสู่ฐานผู้ใช้มือถือซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย AMD ได้พยายามผลักดันชิปเซตเลด e อ n นของตัวเองเนี่ยสู่ตลาดอื่นๆมากกว่าแค่การ์ดจอโดยประสบความสาเร็จในการนำชิปการาฟิกของตัวเองไปใส่ Xbox One แล้วก็ PS4 ซึ่งเป็นผลมาจากความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าแสดงผลมากกว่าแบรนด์อื่นนะครับทางนี้และทางนันข้อตกลงของ AMD กับซัมซุงเนี่ยไม่ใช่ว่า AMD จะไปออกแบบชิปให้กับซัมงแต่เป็นการ ดูญาตนะให้ใช้สิทธิ์ทางสิทธิทบัตรหรือเอาเทคโนโลยีตรงนี้ไปทำเรียนแบบได้พูดง่ายๆแล้กันเช่นเดียวกับ Xbox One กับ PS4 โดยจะใช้เทคโนโีน DNA นะ R DNA นะจาก AMD แน่นอนว่า <c oughs> ในอนาคตอีกไม่ไกลซั s u ุงก็กำลังจะสร้างชิปเซ็ต กราฟิกโดยใช้สถาปตัตยกรรมเดียวกับชิป AMD และเราอาจจะได้เห็นในมือถือรุ่นต่อไปของ a m s u ุ g นะฮะอันนี้ก็แฟนคลับของ a m s u ุงก็น่าจะดีใจนะฮะข้ามฝากมาที่ Xbox บ้างนะครับเผยสเปก Xbox Project Scarlett นะฮะมี 8K พร้อม120 FPS แล้วก็เลเท็กกิ้งเปิดตัวปีหน้านะครับหลังจากที่ปล่อยให้ PS5 มีข่าวออกมารัวๆในที่สุดนะครับทาง Microsoft ก็ออกมาเผยข้อมูลรุ่น ใหม่ของ Xbox รุ่นใหม่ซึ่งช้คนเดิมว่า Project Scarlett นะฮะโดยในงาน E 3 2มเนี่ย <c oughs> ทาง Microsoft ก็เผยข้อมูลสเปคหลักๆออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว Xbox Project Scarlett เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าจะมีประสิทธิภาพโดยรวมสูงกว่า Xbox One X ถึง4เท่านะครับซึ่งจะใช้สเปค CPU AMD Zen 2แบบปรับแต่งพิเศษรองรับเทคโนโลยี Ray แทกกิ้งแล้วก็ความละเอียดระดับ 8K 120fps กันเลยนะฮะแรมใช้ GDDR นะ G D GDDR แนะรม6ตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็ใช้ SSD นะแทนฮาร์ดดิสซึ่งตรงนี้ก็น่าจะช่วยให้การโหลดเกมเร็วขึ้นนะครับทั้งนี้ Xbox Project Scarlett เนี่ยจะเปิดตัวพร้อมกับเกม Halo Infinite นะฮะภาคใหม่ล่าสุดด้วยส่วนตัวเครื่องจะวางจำหน่ายช่วงปีหน้านะ2020 เขาบอกว่าน่าจะเดาว่าน่าจะประมาณปลายปลายปีนะฮะ ร, ระหว่างนั้นก็รอติดตามชื่อจริงของ Project s c a l เลตและสเปคที่เหลือกับหน้าตาของตัวเครื่องนะฮะว่าจะมีหน้าตาอย่างไงกันบ้างนะครับก็ <c oughs> บรรดาสาววกเกมก็คงต้องรอ ก, กันนิดนึงนะฮนะช่วงนี้ AMD นี่บุกหนักจริงๆนะครับ Apple นะฮะเตรียมแพทไอโอ13รุ่นไหนต่อนะฮะ รุ่นไหนจะถูกทิ้งมาดูกันนะครับในงาน WWDC 2019ของ Apple ที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้ได้เปิดตัว iOS 13นะครับไม่รู้อัปเดตกันหรือยังพี่มียังไม่ได้อัปเดตเลยนะซึ่งเป็นแพทอัปเดตใหม่กิ๊กที่เตรียมปล่อยอัปเดตโดยมีฟิเจอร์ออกมาต่างๆมากมายนะครับแต่ก่อนจะพูดถึงฟิเจอร์เนี่ยเรามาดูกันก่อนว่ารุ่นไหนได้ไปต่อรุ่นไหนจะถูกทิ้งหรือถูกเทนะฮะเาบอกว่ารายชื่อโทรศัพท์ที่สามารถอัปเกรด iOS 13ได้ก็จะมี i p h o n 10s นะฮะไอโฟน 10s mac i p h o n 10r i p h o n e 10 p h o n e 8 i p h o n e 8 plus p h o n e 7 i p h o n e 7 plus p h o n e 6s i p h o n e 6s plus p h o n e se ipod touch นะฮะต้องเป็น seven generation นะฮะส่วนรุ่นที่จะไม่ได้ไปต่อนะฮะซึ่งก็จะมีรุ่นพวก iPhone 5 5s 6 6 plus อะไรแบบนี้นะฮะ ทางนี้ก็มีรายชื่อของ iPad ที่สามารถอัปเดต iPad ตัว iPad OS 13ได้เช่นกันมาดูกันว่ามีอะไรบ้างก็จะมี 12.9 นิ้ว iPad Pro 11นิ้ว iPad Pro 10.5 นิ้ว iPad Pro 9.7 นิ้ว iPad Pro iPad 6 Gen นะ iPad 5 Gen iPad mini 5 Gen iPad mini 4 iPad Air 13 Gen นะฮะแล้วก็ iPad Air 2นะฮะทางนี้ น, นก็ จะได้ไปต่อทั้งหมดนี้ที่เอ่ยไว้เนี่ยก็ตามปกติแล้วนะฮะเวลาเขามีตัว iOS ออกมาใหม่เนี่ยก็จะมีการก็เรียกว่าใครจะได้ไปต่อใครจะไม่ได้ไปต่อซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีอะไรแบบนี่ที่ออกมาก็ต้องทําใจนะถ้าอยากจะไปต่อบางทีก็ต้องซื้อเครื่องใหม่แต่ถ้าคิดว่าไม่สนใจช่างหัวมันเราก็ทนทนใช้ไปแต่ว่าถ้า เรียกวอะไรเดียใช้ลายใช้ Facebook ไปสักพักมันก็จะบังคับให้เราต้องอัปเดตซึ่งพอเราไม่อัปเดตมันก็จะใช้ไม่ได้นะบางทีอะมาปิดท้ายสักนิดหนึ่งกับ10ยูทูบเบอร์ผู้ทำเงินสูงสุดในปี2018นะครับอันนี้ก็ เป็นเรื่องของเทรนในยุคนี้ที่หลายๆคนก็อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับเพราะว่ามันสร้างรายได้นะรายได้มาจากไหนก็จากการขายโฆษณาหรือได้คนคลิกโฆษณาใน YouTube แอดนะครับหรือว่าพวกงานโชว์ตัวงานรีวิวสินค้านะฮะมี10 y ยูทูบเบอร์นะครับที่ติดสิ อันดับทำไรายได้สูงสุดของปี2018ซึ่งอันนี้จัดโดยนิตยสาร Forbes ที่อเมริกานะครับเริ่มต้นจากนายแรกเลยก็คือนายรอเกนพอลนะฮะรายได้ 14.5 ล, ล้านเหรียญสหรัฐอันนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์อันดับต้นๆของโลกติดอันดับ10นะฮะแต่ว่าช่วงหลังก็หามเกินนะครเพราะว่าไปทําคลิปวิดีโอศบรรทุในปปะออกิงาฮาระนะประเทศญี่ปุ่นก็โดนด่าไปสุดท้ายก็ก็เลยเหมือนกับ กระแสแผ่วลงไปลงไม่ไงตอนนี้เขาเขาหน้าจะดังกว่านี้อีกคนหนึ่งอันดับ9นะครับเพียวดิ๊กเพียวนะฮะเคยเลาเมื่อนานแล้เนี่ยในคนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังในโลกนะฮะโดยที่เหมือนกับเป็นคนแคสเกมแต่ว่าก็เหมือนกับตะเกะไปเจอกระแสลบกับกรณีเหยียดเชื้อชาตินะเป็นเหตุให้สปอนเซอร์หลายเจ้าถอนตัวไปอันดับ8บ้างนะครับอันดับแปเป็นแจ็คสเปกไนะฮะ รายได้16ล้านเหรียญสหรัฐแต่กี่ 15.5 ล้านเหรียญสหรัฐนะอันนี้เป็นสาย ว, วิดีโอเกมที่มีจุดเปลี่ยนสำคัญตอนไปร่วม ง, งานกับเชียรดิ้เพียวในโครงการ Remove m เด e l Network ของดิสนี y ช่วยให้เขาเป็นที่รู้จักและก็ก้าวข้ามกระโดดการที่เป็นเหมือนกับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังขึ้นมาได้อันดับ7เป็นของว a n o s เกมมิ่รายได้17ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะเป็นวิดีโอคลิปภาคเกมคอมพิวเตอร์นะโดย ทีมนี้เขาจะพาะให้แบบสนุกฮ่าๆแล้วก็ไม่เคยเสนอตัวออกมาให้เห็นหน้านะครับอันดับหเป็นมาร์คไพร์เลอร์นะครับรายได้ 17.5 ล้านเหรียญนะเติมเดิมมีความฝันอยากจะเป็นไอ้คนนี้เขาอยากจะมีเป็นวิศวกรชีวการแพทย์แต่โชคลายล้มป่วยจนต้องผ่าตัดเนื้องอกในต่อมโหมกไตถูกแฟนทิ้งและถูกให้ไล่ออกจากงานเขาก็เลยหันมาทายูทูบเบอร์สายภาคเกมแล้วก็ มีฟีเจอร์ร่วมกับ y o u ูทูบพิเศษก็เลยทำให้ติดอันดับไปนะฮะอันดับ5นี้เป็นเจฟฟี่สตาร์นะฮะรายได้18ล้านเหรียญสหรัฐเป็นสายบิวตี้ยูทูบเบอร์สอนแต่งหน้าให้ความรู้ในการดูแลตัวเองนะฮะอันนี้ก็ดังไปนะฮะอันดับ4นะฮะแดน TMA รายได้ 18.5 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะอันนี้เป็นชาวออสเตรเลียช่องแดนเนี่ยอดีตแชมป์ยูทูบเบอร์รายได้สูงสุดของปี2016นะฮะ แม้ปีนี้จะเป็นดับ4แต่ลุมรายได้เขาก็มากขึ้นนะฮะมาที่อันดับ3นะฮะดูดูที่เพอร์เฟนะฮะรายได้20ล้านเหรียญอันนี้ก็เป็นชายหนุ่ม5คนเป็นวิดีโอสายกีฬาที่เน้นการแสดงลุกเล่นพิศดาในเกมกีฬาที่น่าแปลกนะอันดับ2นะครับเป็นของแจ็คส o พาวรายได้ 21.5 ล้านเหรียญอันนี้ก็ เป็นคนที่โด่งดังมาจากไวท์ก่อนที่จะย้ายมายูทู e เน้นการทำวีล็อกส่วนตัวแล้วก็แลปวิดีโอนะส่วนอันดับหนึ่งกลายเป็นเด็กน้อยลา ย, ยานชอยรีวิวนะฮะรายได้22ล้านเหรียญเน้นรีวิวอายุแค่7ขวบนะแต่ที่เขารายได้สูงเพราะว่าออมีแฟนคลับเยอะแล้วก็มีแบรนด์เอเจนซี่ร่วมกันทำ เหมือนแบรนด์สินค้าของเขาออกมาคือรายได้เขาหลักๆที่เยอะๆเนี่ยก็คือจากการขายไลน์เส้นของการเป็นยูทูบเบอร์ตรงนี้นั่นเองนะครับก็ปัจจุบันยูทูบเบอร์เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายคนฝันเอาไว้แล้วก็อยากจะทํากันซึ่งในงานคอมมานดรอบนี้ก็มีอุปกรณ์ที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยได้ฝึกเป็นยูทูบเบอร์หรือซื้อไปใช้สำหรับการทำยูทูบเบอร์ด้วยนั่นเองนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนึ่งคอมมานเจอกันแน่นอนสีกระดษกระดาคมที่ ไปเทบงหนานะครับเวลาวันนี้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าและอย่าลืมนะครับมีข้อแนะนำติชมกันก็แอดไปที่ facebook ของพี่มิงได้ที่เวอร์ไว b o o k c o m m i n ุ๊กคอมมิ้งคอมทูเดยเวลาวันนี้หมดลงแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ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 ควมมันช่างสูงจริงๆคืนนี้เธอช่างสวยจริงๆไม่รู้จะห้ามหัวใจได้ยังไงถ้าหากมันเผลาบอกรักเธอลองไปพรุ่ง น, นี้จะมองหน้ากันยังไงจะหาวาฉันเป็นคนใจง่ายไม่เธอ ว่ารักดูเล็กๆแต่มันแทนทั้งหัวใจมันไม่จริงทำมันไม่ใจถ้าพูดออกไปเดี๋ยวเสียคนเพ oh <God. S 1> ิ่งมารู้ตัวว่าในคืนนี้มีแค่สองเราเหลือแต่แสงดาวกับเราทั้งนั้นโอกาสเลียนกลมมันช่างสูงจริงๆคืนนี้เธอช่างสวยจริงๆไม่รู้ ทำมัวใจได้ยังไงถ้าหากมันฟลาบอกรักเธอลองไปพรุ่งนี้จะมองหน้ากันยังไงจะหาวฉันเป็นคนใจง่ายไม่เธอ จะหาวาฉันเป็นคนใจง่ายไม่เธอโ oh อกาสเปลียนคำมันช่างสูงจริงๆคืนนี้เธอช่างสวยจริงๆไม่รู้จะห้ามหัใจได้ยังไงถ้าหากมันกล้าบอกรักเธอลงไปพรุ่งนี้จะมองหน้ากันยังไงจะหาวาฉันเป็นคนใจางาย ที่อยู่ตรง กี่ก